ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพวบวันดาท่านทั้งหลายอีกหวังว่าท่านคงยังไม่ลำคาญตืออ่นฟังเรื่องของคนพานต่อไปนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าช่วยโลกเพื่อทรงแนะนำไาไจ่ายจงยาคบคนผ่าน เมื่อพูดถึงคนพานในลักษณะที่หนึ่งที่มีความหหดร้ายเราก็ต้องพูดกันต่อไปสนิดดีไหมนี่คุยกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมประเทศกันไม่ว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกในฐานะที่เรามีความรู้สึกเสมอการด้วยคนทุกคนรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกัน <c oughs> แล้ ว, ว่าท่านหลายที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาก็ดียังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ดีก็ลองมาช่วยกันคิดอยาเพิ่งเชื่อผู้คนผู้พูดเพราะผู้พูดนี้ความจริงไม่ใช่เป็นคนวิเศษวิโสอะไรไม่ใช่ว่าจะเป็นนักปาราชรบนณลิตในพระพุทธศาสนา ป็นได้เพียงเห็นเขาปฏิบัติกันฟังพระทันเทศบางเอาหนังสือที่อ้างว่าเป็นคําสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางแล้วก็มาใคร้ครวนดูเห็นว่าคําสอนเขาองค์สมเด็จพระบรมครูเป็นสิ่งที่ควรจะนํามาคิด เพราะว่าเป็นคําสอนที่พระศาสดาองค์เดียวพระศาสดาก็แปลว่าครูองค์เดียวที่ไม่มีการบังคับเว่าคําสอนนี้ใครจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้เมื่อการบังคับถือว่าเป็นการฤทธิ์รอนปัญญาหรือวฤทธิรอนศรัทธาของผู้ปฏิบัติ ยาสมัยนี้ทางกฎหมายก็าถือว่าทําให้เสื่อมเสีอิสรภาพทางด้านจิตใจทางด้านกฎหมายกเอากอาทางร่างกายแต่จิตใจเขาว่ากันเ้าลงโทษกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความเห็นว่าไม่ควรจะริตรอนกันในด้านจิตใจ เมื่อว่าทั้งลักษณะคนผ่านในวันที่แล้วว่าคนผ่านมีลักษณะมีใจโหดร้ายเมื่อเขามีความโหดร้ายเขาก็ต้องมีความทุกข์ว่าความร้ายเป็นอารมณ์ที่เผาผลานจิตใจไม่ให้มีความสุขในเมือนท่านผู้นั้นท่านเป็นผู้ร้ายใจของท่านไม่มีความสุข เราไปคบกับท่านปฏิบัติกับท่านใจเราก็ไม่มีความสุขเราพระเดจจ่าทรงบอกว่าจงคบบัณฑิตเสียเป็นคนที่มีอารมณ์ประกอบกไปด้วยความเมตตาปราณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษของคนร้ายคือคนผา น, นีที่มีคนเป็นคนใจร้ายสาลายเศรษฐกิจก็ว่าเทศชาติให้พินาศลงไป ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นผู้ทําลายความสุขของบรรดาปรงชนเท่านั้นทําลายความสุขของบุคคลอื่นด้วยทําลายความสุขของตนเองด้วยเหมือนกับที่ท่านจะคงคิดได้ว่าเมื่อวันก่อนผู้พูดได้มากล่าวว่าในเมื่อคนที่มีจิตคิดชั่วมีอารมณ์ร้ายทําร้ายร่างกายคนอื่น เขาก็ต้องถูกปราดประหารถูกการแก้มือใครเขายัานอนนิ่งเมื่อเราร้ายได้เขาก็ร้ายได้เหมือนกันเมื่อเขามาร้ายกับเราได้เราก็ร้ายกับเขาได้เหมือนกันอันนี้เป็นอารมณ์ธรรมดาผู้คนทษไปและก็ส่วนใหญ่ผู้คนที่เข้าไปแก้แค้นปราดประหารถ้าท่านผู้คนเดิมคนร้ายก่อนมาทํำร้ายเพียงร่างกาย ท่้คู่แก้มือฆ่าเขาคนนั้นตายก็เลยกลายเป็นโนราอีกด้วยถูกลงโทษหนักเป็นนั้นว่าการคบหาสมาคมกับคนที่มีจิตชั่วคือไม่อารมณ์ร้ายไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ไม่มีความดีมีแต่ไมมีโทษตอนนี้ไปขอพูดเรื่องอารมณ์ร้ายสักนิดหนึ่ง ก่อนที่จะพูดถึงว่าโทษหนักการครบคนชั่วแบบนั้นเขาบังคับให้เราครบหรือว่าเราพอใจในการครบขอบันดาลท่านทั้งหลายจงอย่ายโทษคนอืน่นพระพุทธเจ้าสมตัดว่าอัตนาโจทยั ต, ตานางจงเตือนตนได้ตนเองไว้ใจเราเป็นเรื่องสำคัญ การที่จะคบหาสมาคมกับท่านพวกนั้นคนที่มีใจร้ายเราพอจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเขาหักจะบังคับให้เราครบกับเขาโลกทั้งโลกเรามีสิทธิ์ที่จะเลียงไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ให้พ้นไปแต่ความจริงการเยคบนั้นมันอยู่ที่ใจใจเราพอใจเท่านั้นจริงเยคบ ถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่คบก็ได้แต่เรื่องคนอื่นที่จะมาชวนเรานี่ความจริงพวกพู ด, พดเห็นว่าไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญในสุดก็คือใจของเราอย่าไปคบกับอารมณ์ร้ายเข้าถ้าใจของเราไปคบกับอารมณ์ร้ายเห็นว่าการประหัตประหารบุคคลอื่นเป็นของดีการทำํำลายร่างกายคนอื่นเป็นของดี การเบียดเบียนกานแกล้งให้บุคคลอื่นเป็นมีความทุกข์เป็นของดีถ้าใจเมีลมคิดอย่างนี้เราไม่มีทางหลีกเลี่ยงผ่านภายนอกคือคนผ่านเขาจะมีเส้นดานช่วยยังไงก็ตามทีจะมีอํานาจมากยังไงก็ตามทีเราพลหลีกพนหนีเขาได้แต่ถ้าว่าใจของเราเป็นผานนี้เรามันหนีไม่คน ดังนั้นองสมเด็จพระทศพลจึงทรงแนะนําให้ควบคุมกาลังใจว่าจงอย่าทําใจของเราให้เป็นใจผ่านคิดอย่าจะประหัสประหารทําร้ายบุคคลอื่นถ้าใจของเราเป็นใจผ่านแล้วเราจะหาความสุขอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็จะหลีกเราก็จะหนีจะไปให้พ้นอารมณ์ผานนั้นไม่มได้ ร่างกายจะไปถึงไห น, ใ, นใจมันก็ไปถึงนั่นนั้านองค์สมเด็จพระพเกวันแช้ควบคุมกาลังใจเป็นสําคัญสําหรับกําลังใจของเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงจากความเป็นใจผ่านได้คือจะเป็นใจของบัณฑิตคําว่าบัณฑิตแปลว่าพู้รู้หรือว่าแปลว่าพูดดีบัณฑิตนี่ครัแปลว่าพูดดีคือมีอารมใจดี ไม่มีความโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดขดไม่หมดสติเมอารมณ์เช่มชื่นเป็นที่น่ารักก่อนที่จะพูดทั้งบัณฑิตเราก็มาพูดกันถึงโทษของค น, าน่าณิชย์ก่อนว่าคน่านที่จะทำให้เราเดือดร้อนหรือ ว, ว่าถ้าเราเป็น่านทําทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเราก็เดือดร้อนด้วย ความจริงการเดือดร้อนเฉพาะบุคคลก็ทําลายทรัพย์สินลงไปมากทําลายเศรษฐกิจทาลายความความความเป็นอยู่เป็นสุขทําลายความเจริญรุ่งเรืองของของคนของประเทศชาติไม่น้อยเหมือนกันถ้าต่างคนต่างโหดร้ายคิดประทุษร้ายสิ่งกแลกลกันโลกทั้งโลกจะหาความสุขไม่ได้ ที่พูดนี่เป็นสายของธรรมะจะไม่ยกตัวอย่างของประเทศและบุคค ล, ลเกรงว่าจะเป็นการเสียสีกันก็พูดแต่เพียงกลางๆว่าถ้าท่านอยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างคิดประทุสร้ายซึ่งกันและกันท่านจะนอนหลับไหมอารมณ์ใจของท่านมีความสุขไหม แต่อยู่บ้านใกล้เรืองเคียงยู่หมู่เดียวกันต่างคนต่างคิดเป็นศัตรูสิ่งอะไรกันคนในหมู่บ้านนั้นจะมีความสุขไหมถ้าอยู่เป็นเมืองได้อยู่เป็นประเทศต่างคนต่างเป็นคนที่จะคิดประทุสร้ายสิ่งอะไรกันยิคิดว่าบ้านนั้นหมู่นั้นเมืองนั้นประเทศนั้นจะมีความสุขหรือมีความเลวร้อน ให้ท่านบุฟังใช้ปัญญาพิจรารณาดูเป็นนั้นว่าคนใจร้ายนัลักษณะของคนพาลที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ดีแต่ว่าคนประเภทนี้ทะเลาะกันในบ้านบ้านทั้งบ้านไม่มีใครถกกันไม่มีใครเป็นมิตรเป็นแต่เพียงศัตรูกัน <c oughs> เพราะอารมณ์ใจเป็นพานเรามาคิดดูว่าบ้านนั้น เขาก็จะหาความสุขไม่ได้สุขภาพทางร่างกายก็ดีสุขภาพทางจิตใจก็ดีจะเสื่อมทรามเพราะเวลานอนก็นอนสะดุง้งพักผ่อนไม่มีความสุขต้องแวะต้องระบาดระวังกันระวังกันอยู่เสมอเมื่อต่างคนต่างระวังต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างคิดทำร้ายกันการกินก็ไม่เป็นสุข กินก็ต้องเหนียวหน้าเหลียวหลังนอนก็ต้องระวังพร้อมเต็มไปด้วยความสะดวกนอนหลับไม่สนิทกิจการงานที่จะพึงทําก็ไม่สามารถขี่กันต่างคนต่างทํา ต, ต่างของต่างระมัดระวังต่างคนต่างระแวงเป็นอันว่างานก็ทําได้ไม่สมบูรณ์อาการอย่างนี้เกิดขึ้นคนในบ้านนั้นเขาจะมีทรัพย์สินสมบูรณ์ไหม เป็นอันว่าไม่สมบูรณ์เพราะอะไรงานไม่สะดวกท <c oughs> ี่ถ้าอการอย่างนั้นมันเป็นทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงก็เหมือนกับบ้านนั้นนั่นแหละหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านการทามาห้กินก็ไม่สะดวกการจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนอนก็สะดุ้งหวาดวันกินก็ไม่เคยจะได้าะนอนไม่หลับกินมันก็ไม่ได้สุขภาพก็เสื่อมโทรม นี่ไป็นอนหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจก็ไม่ดีกำลังจิตใจก็เสื่อมทราม <c oughs> สุขภาพก็ไม่ดีเป็นอนุว่าหาความสุขไม่ได้หมู่บ้านนั้นจะเต็มไปด้วยความยากจนขัดสนเพราะมัวแต่เราแวงระไว้ซึ่งกันแะกันจะมาทำร้ายจะออกไปหากิงกลางคืนดึกๆเดินๆก็ไปไม่ได้เกรงว่าพวกอีพวกหนึ่งจะมาทำร้าย เทาแค่นี้พอดีอย่างแต่หากว่าเป็นทั้งเมืองละ่ะถ้าคนทั้งเมืองไม่ถูกกันแบบเนี้เมืองนั้นทั้งเมืองก็จะหาความสุขอะไรไม่ได้เป็า น, นั้นว่าเศรษฐกิจทั้งเมืองก็ถอยหลังลงถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศจะไม่ขอพูดทั้งโลกหรือว่าจะช่วยโลกก็ได้เป็นทั้งโลก โลกนั้นทั้งโลกก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความร้านร้อนเป็นโลกที่ไม่มีความสุข <c oughs> นี่เรามามองกันทัด้านเศรษฐกิจว่าคนพ่านสันดานหยาบที่มีใจโหดร้ายคิดประทุษร้ายสิ่งกันอะไรกันทําลายเศรษฐกิจของบ้านเมืองอะไรบ้าง เป็นนั้นว่าคนที่คอยจะคิดฆ่ากันต้องซื้อสรรภาวุธต้องเงินไปซื้อสัรภาวุธไว้ป้องกันตัวและไว้คิดประหัตประหารเงินที่ต้องเสียไปในด้านของสันภาวุธนี่สมมติว่าคนไทย43ล้านคนต้องจ่ายเงนินค่าอาวุธคนละหนึ่งบาท เราก็ต้องเสียเงินไปสนย์เปล่าที่มาสร้างประโยชน์ถึงความสุขทางร่างกายและจิตใจไป43ล้านบาทแต่หากว่าเราจะต้องเสียเงินคนละสิบบาทเพื่อเป็นการซื้ออาวุธต้องสูญเสียพละไหลและอาวุธแต่ดะชิ้นราคาห้าบาทสิบบาทมีที่ไหนถ้าซื้อปืนมาก็เสียใหญ่ ข้ออะไรปืนหนึ่งกระ บ, บอกราคาเท่าไรกระสุนหนึ่งนัดราคาเท่าไร่ปืนหนึ่งกระ บ, บอกซื้อมาแล้วนานกว่าจะหมดกว่าจะใช้ไม่ได้แต่ว่ากระสุนที่เสียไปแต่ละนัดราคามันเท่าไหร่ไม่เห็นว่าเป็นเพียงคิ้การป้องกันตัวทรัพย์สินที่หามาได้ที่เราจะมาบำรุบงบำเลยความสุขของร่างกายและครอบครัว ามาซื้ อ, อาหารบริโภคมาซื้อเครื่องแต่งตัวมาซื้อรถยนต์สําหรับใช้ใจ่ายกระแสค่าไฟฟ้าเพื่อความสว่างมันการบํารุงบําเหนความสุขให้มีจิตน่างกายส บ, บายจิตใจเป็นสุขก็ต้องสูญเสียไปนับเป็นจำนวนหลายเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนี่เฉพาะชาวบ้านต่อชาวบ้านที่มีความโหดร้ายต้องระแวงระไว้สิ้น ก, กันเลยกัน เนื่องในการประหารประหารนี่ก็จำต้องมองดูกันต่อไปว่าบ้านเมืองมีรัฐบาลเป็นผู้ปกครองบริหารประเทศที่ต้องมีรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศเพราะอะไรก็เพราะว่าคนเราเป็นคนพันมีสัญดานหยาบถ้าเป็นคนดีซิท์ทั้งหมดก็ไม่ต้องมีรัฐบาลขึ้นมา เลาคณะรัฐบาลแต่รัฐบาลแต่ละคณะเราต้องจ่ายเงินเดือนเงินดาวให้ท่านเท่าไรต้องจ่ายค่าพานะต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงต้องจ่ายเบี้ยค่าประชุมการปชมเท่าไหร่และยิ่งกว่านั้นท่านที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลชุดนั้นมีความละโมบโลกมากมีความคิดคลดทรยศต่อประชาชน ไม่ความซื่อสัตย์สุจริตรับสิ้นายค่าสิ้นบนเราก็ต้องสีสศูนย์เสียเงินแบบเภท น, นี้ไปเป็นโทวนนับไม่ทวนนี่เป็นอนุว่าความโหดร้ายของบุคคลเป็นปัจจัยให้ทำลายเศรษฐกิจที่เราจะพึงหาได้ที่เราต้องเสียภพคะเสียก่อนกับพระอะไรเพราะว่าเรายังดีไม่พอ เมื่อดีไม่พอก็ต้องจ้างคนเขามาควบคุมพวกเราแต่การจ้างคนมาควบคุมคณะรัฐบาลชุดเดียวเราเสียเงินไปเท่าไหร่เมื่อมีรัฐบาลแล้วก็ต้องมีสภาในสภานั้นเราจ่ายเงินไปวันเท่าไหร่คิดกันเป็นวันวันเท่าไหร่ปีนัสามรอยหกิห้าวันมีสภาแล้วรัฐบาลก็ต้องมีที่ปรึกษา คณะที่ภาษาของรัฐบาลเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่นอกจากนั้นก็ต้องตั้งกระทรวงทบวงกรมกระทรวงกระทรวงหนึ่งกับกรมกรมหนึ่งเราจ่ายเงินไปวันละเท่าไหร่ต้องมีจังหวัดต้องมีอำเภอต้องมีตำบลอะไรพวกนี้พวกนี้เราต้องจ่ายเงินท่าไนท้งนั้นเป็นนับงบประมาณของประเทศปีหนึ่งตั้งหลายหมื่นล้าน ที่เราต้องเสียไปก็เพราะว่าใจขขงพวกเรามันไม่ดีที่พูดมานี่ก็พูดเฉพาะใจคนไม่ดีนะถ้าคนดีก็ต้องขอประทานอาภายัยถ้าต่างคนต่างมีกำลังใจดีซน้ทุกคนไม่ประทุสร้ายสิ่งใดกันต่างคนต่างหันหน้าเข้ามาเป็นมิตรตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้า คำสอนของพระองค์ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนไม่ว่าแดนใดหมู่ใดคณะใดทั้งหมดมีศาสนาทั้งนั้นเขากล่าวว่ารัฐทนั้นไม่มีศาสนารัฐทนี้ไม่มีศาสนาอันนี้ไม่เป็นความจริงถ้าเขาไม่ตั้งศาสนาขึ้นมาแล้วเขาไม่มีศาสนาแล้วก็ตั้งรัฐทีไม่ได้ศาสนาก็คือคำสอน คำสอนของคณะใดหมู่ใดก็าตามที่สั่งให้ประหารประหารเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกร่วมประเทศร่วมคณะร่วมบ้านซึ่งกันและกันคำสอนของลัที่นั้นเป็นคำสอนที่ท่านควรจะรับไว้ไหมก็เป็นอย่างว่านั่นแหละถ้าเรารับไว้โลกนี้ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ เป็นอันว่าท่านทันหลายคงจะเห็นแล้วว่าทลักษณะของความเป็นพันมีอยู่ที่ไหนทำลายความสุขที่นั่นทำลายเศรษฐกิจที่นั่นที่เราเองชาวบ้านทั้งหมดต้องระวงะวงไว้ป้องกันภัยที่เกรงว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดคณะหนึ่งคณ ะ, ะใดจะมาทำร้ายร่างกายพวกเขา เรา43ล้านคนก็ต้องเสียเงินไปไม่รู้กี่หมื่นล้านเพื่อเป็นการป้องกันตัวและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเงินที่เราต้องจ้างบุคคลเข้ามาบริหารควบคุมเราเริ่มตั้งแต่รัฐบาลลงมาจนกระทั่งถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เป็นผลไรได้จากพวกเราที่ได้เข้ามานั่นเอง จ่ายไปเป็นหมื่นล้านถ้าจํานวนเงินหมื่นล้านนี้ไม่ต้องจ่ายไปเราไม่ต้องเสียภาษีก่อนความเดือดร้อนอย่างนี้มันก็ไม่มีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินอสีจึงได้ทรงแนะนําว่าจงยาคบคนผานอย่างหนึ่งแล้วก็จงยาคบอารมณ์ผานอย่างหนึ่ง ความจริงคนผ่านหลีกเลี่ยงได้แต่อารมณ์ที่เป็นผ่านเราหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีที่จะไม่คบคนผ่านก็คือต่างคนต่างไม่คบอารมณ์ที่เป็นผ่านทำลายความโหดร้ายสิ่งกอะไรกันเสียที่จะคิดประทุษร้ายสิ่งอะไรกั น, กนหันหน้าเข้ามาคบบัณฑิตคือจิตที่ประกอบไปได้วยความเมตตาปราณี เพราะว่าลักษณะแห่งการโหดร้ายนี่เราจะพ้นไปได้ได้วยความเมตตาคือความรักก็รรณาความสงสารช่วยเกื้อกูลสิ่งกันอะไกันนี่เป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามานั่งมองอีกสักนิดหนึ่งถึงผลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนท่านบอกว่าทุกคนจงเว้นจากความโหดร้ายคิดประทุษร้ายสิ่งกันอะกัน คิดประหัตประหารสิ่งกันอะกันเว้นจากการคิดที่จะเป็นศัตรูสิ่งกันอะกันซึ่งกันละกันเมื่อเราไม่คิดจะเป็นศัตรูไม่คิดประหัตประหารสิ่งกันละกันแ ล, แล้วมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เข้ามาแทนที่นั่นก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็มุธุตาไม่ช้าที่จะซึ่งกันละกันเห็นใครได้ดีพลอยินดีด้วย ถ้าคนทั้งโลกต่างคนต่างรักกันท่านหลายลองมองดูว่าอารมณ์ของคนทั้งโลกจะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและมีความทุกข์ถ้าคนทั้งโลกมีความสงสารเกื้อกกลซึ่งกันและกันไม่คิดวัตทุสรายกันแต่ว่าคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครมีอะไรบกพร่องเดือดร้อนอย่างไหน คนใดที่มีความสามารถเข้าช่วยเหลือเกื้อกูลทันทีอาการอย่างนี้ถ้าปรากฏขึ้นโลกของเราจะเป็นสุขแลวเป็นทุกข์ประชากรทั้งหมดจะเป็นสุขและเป็นทุกข์เราจะต้องจ้างรัฐบาลไหมที่คอยควบคุมไม่ทร้ายสิ่งอะไรกั น, เ, กน mm hmm. เงินประเภทนี้เราไม่ต้องเสียค่าจ้างคาอ่อน ภาเสียกรทั้งหมดเราก็ไม่ต้องเสียไม่ว่าเราไม่ต้องเสียพาเสียก่อนเราไม่ต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมเราเพราะว่าคนทุกคนต่างรักกันทั้งหมดในโลกนี้เอาทั้งโลกก็แล้วกันมาช่วยโลกเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนทั้งหมดในโลกต่างคนต่างรักกันเห็นหน้ากันก็รักกันเหมือนก็พี่กับน้อง พ้นพ่อรักลูกแม่รักลูกลูกรักพ่อรักแม่สามีรักสามัญญาภัญญารักสามีเริ่มรักทีแรกเต็ไมไปด้วยความชุ่มชื่นของสันบรรดาสตรีกระ บ, บรุษชั้นใดเรามีความรักกันชั้นนั้นทั่วโลกมันโลกนี้ต่างคนต่างรักกันเราจะมีอันตรายมาจากไหนสันภาวุธต่างๆไม่ต้องเสีย อันตราย ต, าต่างๆมันไม่มีนี่มันก็มีแต่ความสุขเรื่องการระแว ง, ร ะ, งระวังระไวยกันก็ต้องไม่มีเราก็ไม่ต้องไปจ้างเอาคนมาเป็นเจ้าเป็นนายเรามาควบคุมเรานี่ถ้าเรารักกันถ้าเพิ่มความสงสารซึ่งกันแลง ก, กันขึ้นมาอีกใครมีความทุกข์ด้านไหนร้อมที่จะช่วยเหลือกันทันที แต่เห็นว่าใครเขามีความดีมีความเจริญรุ่งเรืองกว่าเราเราก็ไม่ีไม่อิจฉาดิสยาเขาถ้าทุกคนในโลกเป็นอย่างนี้บรรดาท่านผู้รับฟังฟังแล้วก็นั่งหลับตาคิดตามว่าคำสอนขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโทษหรือว่าเป็นคนถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นโทษโปรดติดต่อ มาทางผู้พูดด้วยว่าจะได้แก้ไขว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรตอนนี้เป็นโทษว่าสอนให้คนแรกกันไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันมีความเกล้อกูลซึ่งกันและกันตาม ก, กำลังที่เฟึง่ช่วยเหลือกันได้ไม่นิ่งดูได้เห็นคนไหนมีความทุกข์ช่วยเหลือทันที ถ้าการอย่างนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ช่วยชีย้แจงมาให้ทราบโดยตักเทือนด้วยเพราะว่าผู้พูดไม่ใช่นักปราชญาและก็ไม่ใช่เป็นคนฉลาดเป็นแต่เพียงอ่านแล้วก็เข้าใจว่าเป็นความดีตอนนี้จะชื่อว่าจะเห็นได้ว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกินสีที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนา ในข้อที่ว่าผ่านต้นแต่ความจริงลักษณะของผ่านนี่มีมากก็อย่าขอนะเอานำมากล่าวกับบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังเฉพาะโดยย่อพอได้ความเป็นแนวทางปฏิบัติพระว่าองค์สมเด็จัวทรงสวัสดิโสภาคแนะนำไว้ทึง8 4ด0 0สี่พันหัวข้อเดวยกัน8ปด0มสี่พันหมดเดวยกันสำหรับวันนี้บรรดาท่านผู้รับฟัง ประโยชน์อันใดจะมีกับท่านบ้างสําหรับในลักษณะที่เราไม่คบคนผ่านวระโทษเครื่องกายคบคนผ่านมีโทษแบบไหนและก็คุณประโยชน์เครื่องกายคบบัณฑิตคือคนดีที่มีใจประกอบไปด้วยความเมตตาภาณีถ้าคนทั้งโลกนี้เป็นบัณฑิตจะมีความสุขเพียงใดขอท่านั้นหลายผู้รับฟังได้โปรดพิจารณาเองสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอลา ขอความสุขสวัสดที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านอันหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี